มิทานไทย <S <S การละครั้งหนึ่งในไร่พวกสัสตว์ไม่มีอาหารรับประทานพวกเขาหิวโหวยจึงตัดสินใจทำอาหารแม่ไก่สีแดงตัวน้อยตัวหนึ่งเจอมลเมล็ดข้าวสาลีรีบไปบอกเพื่อนของเธอ เพื่อจะมีใครอยากช่วยเธอปลูกบ้างมีใครอยากช่วยฉันปลูกข้าวสาลีบ้างวัวเธอจะช่วยฉันปลูกไหมไม่อ่ะวะไม่อ่แดดร้อนจ้าเกินไปอ่ะหมูเธอจะช่วยฉันปลูกไหมไม่อาไม่อาแดดร้อนจ้าเกินไปเหมา แล้วเธอน่ะจะช่วยฉันปลูกไหมไม่เอาะไม่เอาแดดร้อนจ้าเกินไปแล้วล่ะอ๋อไม่เป็นไรฉันปลูกเองก็ได้แม่ไก่สีแดงตัวน้อยลงมือปลูกข้าวสาลีด้วยตัวเองสองสามวันผ่านไปแดดออกและฝนเริ่มโปรย แม่ไก่สีแดงตัวน้อยจะไปถอนหญ้าใครจะช่วยฉันถอนหญ้าบ้างบัวเธอจะช่วยฉันถอนหญ้าไหมไม่เอาไม่เอาอากาศดีเกินจะทำอะไรอ่ะหนูเธอจะช่วยฉันถอนหญ้าไหมไม่เอาไม่เอา อากาศดีเกิดจะทำอะไรมาเธอจะช่วยฉันถอนหญ้าไหมไม่เอาไม่เอาอากาศดีเกินที่จะทำอะไรแล้วละ่ะวันนี้นะ่ะไม่เป็นไรฉันทำเองก็ได้แม่ไก่สีแดงตัวน้อยถอนหญ้าและรดน้ำต้นไม้ด้วยตัวเอง หลายสัปดาห์ผ่านไปแสงแดดสัดสองข้าวสาลีจนพร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีเจริญงอกงามแม่ไก่สีแดงตัวน้อยจึงร้องถามเพื่อนให้ช่วยเธอเก็บเกี่ยวข้าวสาลีวัวเธอจะช่วยฉันเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไหมไม่อา้าวไม่อา้าววันนี้ฉันอยากนอนบากในโรงนาหมู จะช่วยฉันเกี่ยวข้าวสาลีไหมไม่เอาไม่เอาวันนี้ฉันอยากนอนเล่นโคหมาเธอจะช่วยฉันเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไหมไม่เอาไม่เอาอะวันนี้ฉันจะขุดหากระดูกของฉันเองเงินเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้อีกครั้งที่ไม่มีใครช่วยแม่ไก่แดงตัวน้อย เธอจึงต้องทําเองทั้งหมดเธอเก็บเกี่ยวข้าวสาลีหลังจากเก็บเกี่ยวเธอร้องถามเพื่อนให้ช่วยโม่ข้าวสาลีเพื่อทําแป้งจะมีใครช่วยฉันโม่ข้าวสาลีทําแป้งบ้างไหมวัว เธอจะช่วยฉันโม้ข้าวสาลีทำแป้งไหมไม่เอาไม่เอาจะได้เวลารีดนมแล้วหมูเธอจะช่วยฉันหม้เข้าวสาลีทำแป้งไหมไม่เอาไม่เอาจะได้เวลามื้อค่ำแล้วหมาเธอจะช่วยฉันโม้ข้าวสาลีทำแป้งไหมไม่เอาไม่เอาจะได้เวลา ของมื้อค่ำฉันแล้วล่ะเอเงินฉันทําเองก็ได้แม่ไก่แดงตัวน้อยโมข้าวสาลีทําแป้งด้วยตัวของเธอเองแม่ไก่แดงตัวน้อยตต่สินใจเอาแป้งไปอบขนมปังเธอจึงให้โอกาสเพื่อนเธอที่จะช่วยเธออีกครั้งใครอยากช่วยฉันเอาแป้งไปอบขนมปังบ้าง วัวเธอจะช่วยเอาแป้งไปอบขนมปังได้ไหมไม่เอาไม่เอาฉันอบขนมปังไม่เป็นหมูเธอจะช่วยเอาแป้งไปอบขนมปังได้ไหมไม่เอาไม่เอาฉันอบขนมปังไม่เป็นหมาเธอจะช่วยเอาแป้งไปอบขนมปังได้ไหมไม่เอาไม่เอา ฉันอบขนมปังไม่เป็นโอ้เง้นฉันทำเองก็ได้แม่ไก่แดงตัวน้อยอบขนมปังด้วยตัวเองเมื่อเสร็จแล้วเธอรอให้ขนมปังเย็นลงไม่นานก็ถึงเวลาตัดขนมปังมารับประทาน มองไปรอบๆเธอไม่เห็นใครใครเอ่อจะช่วยฉันกินขนมปังล่ะทีนี้ทนเองทนเองทนเอ ง, เองไม่อดไปเลยฉันลงแรงทั้งหมดฉันสมควรได้รับขนมปังก้อนนี้